แม้แต่นักปฏิบัติธรรมก็ตามวาพวกเราต้องมาปฏิบัติธรรมได้ก็เพราะอาศัยข้าวของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจาคเป็นทานเฉพา ะ, ะเฉพาะด้วยศรัทธาหรือว่า ต้องการที่จะเอื้อเฟื้อพวกเราในเรื่องการปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่ในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเราเป็นหนี้นะเราบริโภคอาหารอย่างเป็นหนี้และห น, นี้นี่จะจะใช้ให้หมดได้นี่พระไตรปิดกว่านะต้องปฏิบัติธรรมให้บรรลุนะถึงเป็นถึงขั้นพ้นทุกนะ เป็นพระอาหารหันต์นี่ถึงจะเรียกว่าหมดหนี้นะไม่เป็นหนี้ชาวบ้านการบริโภคหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นการบริโภคอย่างเจ้าของเรียกว่าสามิบริโภคสามิบริโภคคือการบริโภคอย่างเจ้าของคือมีสิทธิ์มีความชอบธรรมในการบริโภคแต่ถ้าหากว่ายังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์นี่ท่านก็ถือว่ายังเป็นหนี้นะยังเป็นหนี้ พระมาหากระสปะนะท่านเป็นพระสาวกที่มีความสําคัญเป็นอันดับสามรองจากภาษาริบุตรพระโมคคัลลานนะท่านกล่าวไว้ว่าเนี่ยท่านบริโภคอย่างเป็นหนี้ของชาวบ้านอยู่เจ็ดวันเมื่อถึงวันที่แปดนะท่านก็ไม่เป็นหนี้ชาวบ้านละเพราะอะไรเพราะท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต ภาษาลิบุตรนะใช้เวลานา น, านกว่า น, นั้นนะบริโภคข้าวชาวบ้านนี้อย่างเป็นหนี้สิบ้าวันหลังจากนั้นท่านก็มีสิทธิ์บริโภคอย่างชอบธรรมหรือว่าย่างผู้เป็นเจ้าของนะแต่ว่าก็มีหนี้อีกอย่างหนึ่งนะที่ท่านไม่ได้มีโอกาสชำระ กว่าจะอาชํำรักหนี้นี้ได้นี้ก็จนกระทั่งวัสุดท้ายของชีวิตท่านนั่นก็คือการใช้หนี้ของแม่นะที่ได้เลี้ยงดูท่านภาษาริบุรท่านสามารถจะสอนผู้คนให้บรรลุธรรมเป็นพระสวดดบรันจนกทั่งเป็นพระอรหันต์ก็มากมาย เพราะว่าท่านเป็นผู้มีปัญญามากแต่ว่ามีคนหนึ่งที่สอนได้ยากมากนะคือมารดาของท่านอมารดาท่านมีมีลูกอยู่เจ็ดนะบอว่าทั้งหมดนี่บรูทาร์มเป็นผ้าละหารหมดเลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะสอนแม่ได้เพราะว่าแม่นี่มีมานะมากแล้วก็ไม่มีศรัทธาในในพระธรรมคําสอนเลย แล้วยิ่งถือตัวว่าเป็นคนมีเงินก็ยิ่งไม่เห็นคุณค่าของธรรมะพระไตรปิฎกนี้ท่านก็เมื่อท่านรู้ว่าท่านจะมีชีวิตแค่เจวันเจวันสุดท้ายท่านก็เลยนึกถึงแม่นึกถึงโยมแม่นะแล้วก็ได้ไปได้เลือกที่จะไปเสียชีวิตลาสังขารที่นั่นที่บ้านบ้านเกิดของตน ไปถึงแล้วนี่ก็ยังก็ยังถูกแม่นิโยมแม่นี้ต่อว่านะเพราะว่าแทนที่จะสืบทอดทรัพสมบัติหรือวงตกูลของแม่นี่ก็กลับมาออกบววแล้วก็พาน้องทั้งน้องสาวน้องชายออกบวดหมดจนทั่งไม่มีใครสืบส ก, กุลก็โกรธภพราะารบุตรนี่ท่านมีอ่าคุณสมบัติอย่างหนึ่งคความความนิ่งนะท่าน ไม่ว่าแม่จะว่ายัางไงท่านก็นิ่งแต่อะไรทําให้โยมแม่นี่มาศรัทธาในตัวท่านได้ก็เพราะว่าตอนที่วันที่ท่านจะละสังขารนี่ก็มีเทวดามาเยี่ยมตั้งแต่พระอินทร์ลงมาถึงพระขึ้นไปถึงพระพรหมโยมแม่เห็นก็แปลกใจนะเพราะว่าขนาดพระอินทร์นี่ขนาดพระอินทร์ไปถึงพระพรหมนี่มาคอรพสักการะ ลูกชายของตัวแสดงว่าลูกนี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนภาษาหลท่านก็ถ่อมตัวท่านก็บอกว่าเนี่ยพระบรมศาสตร์ดาวของท่านต่างหากนะที่ที่น่านับถือนะก็ทำให้แม่เนี่ยโยมแม่เกิดศรัทธาในพระพุทธองค์นั่นนั่นแหละที่ทำให้ท่านคลายทิฏฐิมานะเพราะว่าเห็นด้วยเห็นด้วยตาวาโอ้ขนาดเทวดาชั้นสูงนี่ ยังมาเคารพนบนอบลูกชายของตัวเลยก็เลยเปิดใจฟังธรรมจากพระไตรบุตรแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพอโยมแม่นี่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนี่พระไตรบุฎก็พูดเลยว่าอุทานขึ้นมาเลยว่าค่าค่าน้นํานมค่าข้าวค่าน้ําอันที่เราเป็นหนี้บัด น, นี้เราได้ใช้หมดสิ้นแล้ว น, นี่เป็นหนี้อย่างเดียวที่ท่านยังชําระ ไม่เสร็จนะจงกระทั่งวันสุดท้ายก่อนลาสังขารไอ้น้พุทธศาสนาเนี่ยนะเราถือว่าการที่จะตอบแทนบุญคุณของแม่หรือของพ่อผู้เป็นบุปการีเนี่ยไม่ว่าจะตอบแทนท่านด้วยข้าวปลาอาหารด้วยทรัพย์สมบัติด้วยเพชรนินจินดายอย่างไรก็ยังถือว่ายังตอบแทนได้ไม่ครบถ้วน ท่านเปรียบเทียบถึงกับว่าแม้แม้จะสภพายหรือแบกแม่และพ่อบนบาทั้งสองข้างนะปรนในบา ท, ท่านนะตลอดเวลาในขณะที่ท่านอยู่บนบาก็ไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านนะอย่างสิ้นเชิงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนกว่าจะทำให้ท่านเนี่ยได้มีธรรมะ เช่นแม่หรือพ่อที่ไม่มีไม่ใส่ใจในทานก็ทำให้น้อมน้อมจะให้ท่านเป็นผู้ที่ใส่ใจในการให้ทา น, นไม่มีศรัทธาก็ทำให้ท่านมีศรัทธาไม่มีศีลก็ทำให้ท่านมีศีลไม่มีจาคะก็ทาให้ท่านมีจาคกะจ า, ากะคือคือความเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีปัญญาก็ทำให้ท่านเกิดปัญญาขึ้นมา ถ้าทำได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างครบถ้วนพระไซริบุตรท่านก็ได้ทำสิ่งนี้นะทำให้โยมแม่นี่ตั้งอยู่ในความเป็นอริยบุคคลแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ปรินิพานอันนี้ก็เป็ น, ปนแง่คิดสหรับพวกเรานะว่า พวกเราที่ลำลึกถึงหรือตระหนักถึงบนคุณของพ่อแม่บุพการนะีสิ่งดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับท่านได้ก็คือธรรมะศนระัทธาศีลจา้ะปัญญาอันนี้ถือว่าเป็นอริยรัพทนะ์ที่ประเสริฐที่สุดซึ่งอยู่ในวิสัยที่เราจะ มอบให้กับท่านได้แต่เราจะมอบให้เราก็ต้องมีสิ่งนั้นที่ตัวเรานะก็คือต้องมีศรัทธามีศีลมีจารคามีปัญญาด้วยนะการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะถึงแม้ว่าจะทำให้เราห่างบ้านนะแต่ว่ามันก็คือการมาการมาสะสมอริยทรัพย์เพื่อที่เราจะได้ไปมอบไปให้กับ ท่านเหล่านั้นมาพุทธพระพุทธองค์เนี่ยตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านออกบวชนะท่านก็ไม่ได้นึกถึงตัวเองเท่านั้นนะท่านคิดถึงสรรพสัตว์ทนะ่านคิดถึงพ่อแม่พ่ อ, แ, อ, พอแล้วก็เครือญาติทั้งหลายท่านออกบวชเพื่อที่จะได้คนพบผลทางแห่งการ พ้นทุกข์แต่ในสุดท่านก็มามาแนะนำนะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นธรรมะแม้กระทั่งอโยมพ่อโยมบิดาคือพระเจ้าสุโทโธธนะนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นการกลับมานะเพื่อที่จะมาโปรดพระญาต ไม่ใช่ไปแล้วไปเลยไม่ใช่ไปเพื่อตัวเองนะแต่ไปเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์แล้วท่านก็ได้กลับมาทําประโยชน์ให้จริงๆแล้วพวกเรานี้ก็ถือว่าเราไม่ได้มาบําเพ็ญแค่ประโยชน์ตนนะแต่ว่าเราสามารถที่จะบําเพ็ญประโยชน์ท่านได้ด้วยเมื่อธรรมะได้เจริญ ง, งอกงามในใจเราโดยพอการมีสติความรู้สึกตัวอันนี้จะเป็น กุญแจที่จะพาเราไปสู่ธรรมะขั้นสูงได้พูดถึงพระไตรปุรนี่ก็ก็น่าที่จะเล่าต่อนะเพราะว่าประวัติของท่านก็น่าสนใจเวลาพูดถึงพระไตรบุฎเราก็นึกถึงพระโมคคัลลานะคู่กันเพราะว่าเป็นพระอรันตสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายแต่ว่าสองท่านนี้จะเรียกว่าประสบการณ์หรือว่าชีวิตนี้เรียกว่า ไปกับคนละทางเลยนะคือพระโมคคัลลาน น, านิท่านท่านนีฤทธิ์เยอะนะชีวิตของท่านหลั ง, ลงบว น, นี่ผ่าโ ผ, า น, ผานมากนะมีฤทธิ์ไปปราบนาคไปปราบพญา น, นาคราชบางไปปราบพระพรหมบางไปปราบเทวดาที่ดื้อนะแต่ว่าพระไศรุตุศไม่มีเรื่องทํานองนี้เลยนะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่อ่าเป็นเลิศท่านปัญญา ก็ในเรื่องการสอนธรรมท่านได้ช่วยเป็นอัครเสนาบดีแต่ว่าลักษณะหนึ่งของท่านที่ทเด่นมากคือความอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เป็นที่น่ากลัวน่ายำเกรงเหมือนกับพระโมคคัลลานะเลยทั้งนั้นที่เป็นเพื่อนสนิท ก, กันพระสารีบุตรนี่เรียกว่าท่านไม่ไม่มีการ ถือเนื้อถือตัวเลยเข้าถึงง่ายและเนื่องจากว่าท่านถ่อมตัวแล้วก็ไม่ค่อยแสดงแสดงอำนาจนะก็ทำให้ผู้คนนอกจากจ ะ, ะนับถือท่านแล้วนะบางทีก็กล้าที่จะทวงติงด้วยนะสามนเณรคนหนึ่งเนี่ยเห็นท่านผมจีวรเนี่ยปล่อยชายยาว ก็ทวงท่านนะทวงภาษาริบุตรนะอันท่านก็รับฟังนะแล้วก็ไปปรับไปไปปรับเอ่อไปไปคลองจีวรใหม่นะอาการที่สามเณรเนี่ยกล้ทวงท่านได้แสดงว่าท่านนี้เป็นเอ่อเป็นเป็นพระผู้ใหญ่ที่อ่อนน้อมถ่อมตัวมากานะแล้วคนไม่มีความเกรงกลัวเลยแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ของท่านที่ถูกทวงถูกเอ่อถูกทักหรือว่า แม้กระทั่งถูกใส่ไลายนี่ก็เยอะเรื่องแบบนี้ไม่มีกับพระโมคคัลลานะเลยนะแต่ว่าพระไยบุญนี่มีเยอะเพราะความดิ้นทันเนี่ยทอมตัวแล้วก็ไม่แสดงอํานาจมีคราวหนึ่งก็มีพระที่เป็นศิษย์ของท่านเนี่ยทักท้วงการกระทำบางอย่างของท่านคือพระไซบุญเนี่ยท่านอันนี้คงจะเป็นสมัยแรกๆนะอาจจะก่อนบรรลุธรรม ท่านชอบชักชวนคนมามารับศีลบางคนก็เป็นพลาบางคนก็เป็นชาวประมงท่านก็ไม่สนใจนะท่านก็ให้เขามารับศีลห้าพอรับศีลห้าแล้วก็มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยปฏิบาตห้ามฆ่าสัตว์คนเหล่านี้เขารับรับศีลไปแล้วเขาก็ไม่สามารถทําหรือรักษาศีลได้เขาก็ไปฆ่าสัตว์จับปลาเา้าไปใสบุตร ทราบก็ไม่พอใจนะว่าทำไมรับสินไปแล้วไม่ทำตามแล้วนะก็มีลูกศิษย์ทักทวงท่า น, นว่าที่ท่านทำนี่จะถูกหรือนะเพราะว่าที่เขามารับสีนก็เพราะเขากลัวท่านเ็เกรงใจท่านนะก็เลยรับไปแต่ว่าเอาของจริงก็ปฏิบัติไม่ได้อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเกรดอันนึงที่ชื่อเห็นว่านะท่านเป็นผู้ที่ ใครๆก็กล้าทักทวงได้แม้กระทั่งลูกเส์ลูกหานะอันนี้ก็เป็นแบบอย่างนะของของพระผู้ใหญ่นะที่ท่านเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ทักทวงบางทีบางพวกบางคนนี่ถึงกับย่ามใจนะใส่ลายท่านเลยนะอย่างเช่นมี้ารูปหนึ่งนั้นไม่พอใจพระสายบุตรนะคือพระสายบุตรท่านมีคราวนึงท่านต้อง จะออกจากสำนักก่อนที่จะออกจากสำนักท่านก็คล้ายๆว่าบอกลานะบอกลาพระซึ่งก็เป็นสิทธิ์ท่านและเนื่องจากสิทธิ์ท่านมีเยอะมากท่านก็ต้องใช้ใช้เวลานานกว่าจะบอกลาได้หมดก็มีการถามชื่อถามโคดถามตระกูลนะคือเรียกว่ามีการทักทายกันนะด้วยความใส่ใจบอกว่ามีา้าลุมนึ่งเนี่ยท่านไม่ได้ทัก ก็เกิดความไม่พอใจนะศรัทธาท่านก็จริงนะแต่พอท่านไม่ทักเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจนะแล้วก็หาเรื่องเล่นงานท่านก็บังเอิญตอนที่ท่านเดินผ่านเนี่ยชายจีวังท่านเนี่ยก็ไปถูกเขาถูกภาลรูปนี้ถ้านพรูปนี้ก็หาโอกาสเลยนะไปทูลฟ้องพระเจ้าวะเนี่ยพระสายรบรทำร้าย วางอำนาจแล้วก็ทำลายตัวพระเจ้าก็เลยเรียกพระเสด็จมาแล้วก็สักถามว่าท่านทำเช่นนั้นจริงไหมพระเรบด็จท่านก็ตอบท่านก็ตอบได้น่าสนใจทนะ่บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านก็เจียมเนื้อเจียมตัวเหมือนกับเด็กจันทารนะเด็กจันทายก็คือเด็กชั้นต่ำนะท่านไม่เคยคิดจะแสดงอำนาจบาตใหญ่ท่านปฏิบัติตัวเหมือนกับดินน้ำไฟลมดินน้ำเนี่ยดินเนี่ยมันเจอ ใครจะโยนขยะสิ่งปฏิกูลลงไปนะดินก็รับหมดนะไม่เคยต่อว่าไม่เคยบน่นน้ํานี่ก็เช่นเดียวกันใครจะทิ้งขยะใครจะทิ้งสิ่งเมบนลงไปน้ําก็ยอมรับหมดลมนี่มันจะผ่านไปทุกที่โดยที่ไม่เรียกว่าจะเป็นที่ที่สะอาดหรือว่าสะปะปกปรกจะเป็นที่สูงที่ต่ําลมก็พัดผ่านเสมอกันไฟก็เช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรเชื้อราคาแพงหรือเชื้อถูกหรือเป็น เป็นมูลสัตว์นะไฟก็ไม่ปฏิเสธท่านก็อธิบา ย, ยางี้ว่ า, ถ, าถ้าไม่มีจิตใจที่จะดูถูกหรือว่าถือเนื้อถือตัวใครเลยพร้เจ้า ก, ก็เลยบอกว่าเนี่ยให้พารูปนี้เนี่ยขอโทษนะขอขอมาเพราะถ้าไม่ขอขอมาแล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนอพารูปนั้นก็ได้สำนึกนะก็ลดตัวลง นะเพื่อที่จะขอเข้ามาพระไซรุบุท่านก็ลดตัวลงเหมือนกันนะนั่งกระยมแล้วก็รับคําขอเข้ามาก็แสดงอาการแสดงความสุภาพนะไม่ได้โกรธเคืองเลยความความความถ่อมตัวของพระไซรุบุท่านนี่ก็เป็นเหตุให้ทําให้มีคนที่คิดจะลองดีกับท่านเยอะมากนะก็อย่างที่บอกว่าคงเห็นว่าท่านไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไร แล้วก็ท่านอยู่แบบถ่อมตัวมีพรานคนหนึ่งมีพรามคนหนึ่งนะเห็นว่าได้ยินกิติศัพ์ว่าพระไยรูวุเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีความโกรธนะใครจะทักใครจะท่วงใครจะดา่าอะไรท่านก็ไม่โกรธนิ่งก็อยากจะลองดีนะลองดียังไงเดินไปที่ข้างหลังแล้วก็ตบหลังอย่างแรงเลยนะตบหลังอย่างแรงเลยท่านก็รู้นะ แต่ว่าท่านก็ไม่โกรธแล้วก็กลับสนทนากับพราหมณ์คนนั้นด้วยดีจนกระทั่งพราหมณ์นีเน่เกิดศรัทธาในภาษารีบบุตรแล้วก็หันมาสมาทานานับถือพระรัตนตรัยคนที่เห็นพราหมณ์เนี่ยตบหลังภาษาริบบุตรนี่ก็ไม่พอใจก็จะมาทาํราร้ายภาษาริบบุตรท่านก็ห้ามเอาไว้ก็บอกว่า พรามณีตกหลังตบหลังอัตมาไม่ใช่หรือไม่ได้ตกหลังพวกท่านแล้วท่านจะมาโกรธทําไมในเมื่อเรายังไม่ถือโทษโกรธเครืองพราหมณ์ผู้นี้เลยบางคราวนี้ก็มียักษ์นะมียักษ์มาเอากระบองมาฟาดท่านนะคือถ้ามาเจอไอ้แบบนี้ไม่เจอไม่มีกับพระมหาโมคคลานะนะเพราะว่ากลัวแต่กับพระไยบุตรนี่ก็กล้าที่จะทำเอากระบองมาตีท่านท่านก็ไม่รู้สึกเลยนะ จนกระทั่งพระโมคคัลลานามัตถะว่าท่านทราบหรือไม่ว่ายังษนีมาตีท่านท่านบอกท่านไม่รู้เลยท่านไม่เห็นเลยอันนี้ก็เ ป, เป็นเป็นเป็นตัวอย่างของผู้ที่เมื่อบรรลุธรรมแล้วนี่ท่านก็แม้จะบรรลุธรรมขั้นสูงนะแต่ว่าก็อยู่อย่างถ่อมตัวนะแล้วก็ไม่ถือเนื้อถือตัวไม่ไม่แสดงอํานาจนะ กับผู้อื่นเรียกว่าไม่มีอัตตาเลยเอาพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องนะต้องให้ถือเอาเรื่องนี้เป็นแบบอย่างนะว่าเออการปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราได้อัตตาตัวตนเล็กลงอย่างไรบ้างนะยิ่งบรรลุธรรมขั้นสูงเท่าไหร่ก็ยิ่ง มีอาการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมากเพราะว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอวดอ้างแสดงตัวอย่างไรทีจริงเรื่องราวของพระอาหารหันต์เนี่ยนะมีมากมายหลายแบบนะมีทั้งคนที่มีทั้งผู้ที่ฉลาดปาดเปลืองอย่างพระไตรบุตรหรือว่ามีทั้งผู้ที่โง่โง่มากๆเลยนะแต่ก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ได้เช่นพระจุลปัญทุก โง่ขนาดที่เรียกว่าท่องท่องคาถาเนี่ยนะสีบ่บรรทัดนะสี่ประโยคดีกว่านะยังท่องไม่ได้เลยเป็นเดือนก็ยังท่องไม่ได้ความจําแย่มากนะถือว่าเป็นผู้ที่โง่ามากนะแต่ก็บรรลุรมได้บางท่านเนี่ยนะเป็นโจรบางท่านชอบลักเล็กขโมยน้อยนะโจรที่ไม่ใช่พระองค์คริมานี่ก็มีเยอะนะ แต่ว่าก็สามารถจะบรรลุธรรมได้หรือว่าคนที่ชอบยักยอกเงินเจ้านายให้เงินไปซื้อดอกไม้นะก็ยักยอกเงินทุกครั้งนะแต่ว่าก็บรรลุธรรมได้บางท่านก็ชอบพูดจาชอบสะบทนะพูดคำพูดประโยคก็สะบทละไอ้ถอยไอ้ถอยนะจนกระทั่งคนไปถูดฟ้องวิจาว่าเนี่ยภาพรุ่นี้นี่กิริยามารยาทแย่มาก ผู้เจ้าก็เลยบอกว่านี่ท่านผู้นี้นี่ท่านนะพ้นกิเลสแล้วนะพ้นทุกข์แล้วพระปิรินทวัชชะนะั่นแต่ถ้าเราดูนี่เลยเพบว่าการบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยนะมันเป็นเป็นวิสัยของมนุษย์ทุกคนทุกประเภทก็ว่าได้อย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นคนที่ฉลาดนะถึงจะบรรลุ ธ, ธรรมได้จะไปคิดว่าต้องเป็นคนที่ดีพร้อม ประวัติเท้าบริสุทธนะิ์น่นถึงจะบรรลุธรรมได้แม้จะผ่านาผ่านเรื่องราวต่างๆมาหรือแม้จะเป็นคนที่โงนะ่ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทั้งนั้นตราใดที่เป็นมนุษย์นะตราใดที่มีจิตมีใจนะก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะขั้นสูงได้ก็เหมือนกับพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปนี่ถ้าเราสังเกตนะทาจากวัสดุทุกชนิดไม่ใช่ทําจากทอง ไม่ใช่ทำจากเงินเท่านั้นไม่ใช่ทําจากทองเหงหรือสัมฤทธิ์ท่นั้นบางทีทําจากไม้ทําจากดินนะทําจากของราคาถูกก็เป็นพระพุทธรูปได้นะเหมือนก็จะบอกว่าความเป็นพุทธานี่นะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคนประเภทไหนนะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทั้งนั้นเพราะในพวกเราเนี่ยนะ ถึงแม้ว่าเราจะมาจากต่างทิศต่างแดนนะเราจะมีะความรู้ความสามารถแตกต่างกันไม่ต้องพูดถึงเพศวัยนะที่แตกต่างกันด้วยอันนั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะต่อการที่จะเข้าถึงธรรมะเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกท้อขึ้นมาเพราะว่าเราจะรู้สึกวันนี้ฉันคงปฏิบัติธรรมไม่ได้แล้วละ่ะ แค่สติความคามิดแค่ความรู้สึกตัวนี้ฉันยังไม่รู้เลยนะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับบางคนนะหรืออาจจะเกิดขึ้นกับส่วนใหญ่ก็ได้นะอาตมาเองก็เป็นนะบางช่วงหนึ่งความปฏิบัติไม่ม า, มาเกิดความท้อว่าเนี่ยชีวิตนี้คงจะหมดหวังแล้วนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เรียนเก่งหรือว่าเจอประสบกรณ์ต่างๆก็สามารถเที่จะผ่านไปได้แต่พอเรื่องกับปฏิบัติธรรมเห็นทีจะหมดหวัง นะคงจะเอาดีทางนี้ไม่ได้อันนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดนะเพราะว่านะถ้าทำไปเรื่อยๆนะถ้าไม่ทิ้งความเพียรนะก็สามารถจะผ่านอุปสรรคไปได้สามารถจะวางจิตวางใจนะให้ให้ธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่าว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องของอการบรรลุธรรมนะเอาเรื่องแค่เรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ย รับรองว่ามันไม่เกินวิสัยของพวกเรานะที่จะที่จะทำให้เจริญงอกงามและช่วยทำให้ใจเราโปร่งเบาสบายนะอย่าไปท้อนะถึงแม้ว่าอ่าทำแล้วจะยังไม่เห็นผลอาจจะเป็นเพราะว่าเวลายังน้อยไปหรือเป็นเพราะว่าเราวางใจไม่ถูกงั้นถ้าเราวางใจให้ถูกนะมันก็จะเห็นผลได้นะข้อสำคัญคือว่าเราต้องมีความเพียร แล้วก็จะใจร้อนนะต้องรู้จักคอยวาถ้ า, ามีความเพียรมีความเพียรแต่พอดีแล้วก็รู้จักคอยมีฉันทาในการปฏิบัตินะความรู้สึกตัวนะสตินะก็จะปรากฏแกเราอย่างแน่นอนไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ เ, เรียนไม่เก่งหรือว่าไม่ฉลาด หรือว่าเจ็บป่วยที่ควรพิการอย่างไรนะในสิ่งเหล่านี้นี่มันไม่ใช่อุปสรรคต่อต่อการปฏิบัติธรรมหรือว่าการที่จะเข้าถึงธรรมเลยพอสำคัญก็อย่างที่พูดนะคือว่าต้องมีความเพียรนะวางจิตวางใจให้ถูกนะก็ขนาดขนาดเรียนภาษาต่างประเทศขนาดขี่รถจักรยานนะหรือว่า ว่ายน้ำนี่เรายางใช้เวลาบางทีเป็นอาทิตย์เลยนะกว่าเราจะว่ายน้ำได้กว่า จ, จะขี่จักรยานได้สมัยเด็กๆ เ, เนี่ยนะเป็นอาทิตย์นักภาษาอะไรก็เรื่องของที่มัละเอียดอ่อนอย่างเช่นการปฏิบัติทําการเจริญสติของที่ต้องใช้เวล า, อ ย, าอย่าแข่งกับเวลานะเพราะเวลาไม่ใช่ศัตรูของเราเวลาไม่ใช่คู่แข่งของเราแล้วก็ไม่ต้องแข่งกับใครนะเพียงแค่เราวางใจให้ถูก นะวางใจให้เป็นหนะลวงพ่อเทียนนั่นก็บอกว่าเนี่ยสอนว่าให้ทําเล่นๆนะทำเล่นๆอย่าอย่าอย่าทําด้วยความอยากอย่าคิดจะเอาชนะนะถ้าเราคิดจะเอาชนะคิดจะเอาคิดจะได้คิดจะมีคิดจะเป็นเนี่ยไอ้ไอ้ความอยากเหล่านี้แหละที่มันจะเป็นอุปสรรคนะทําให้การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเนิ่นช้าเนะวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเราจะหรือเวลาเราทํางานเนี่ยเร า, า จ, จะมี อาจจะปลูกความมุ่งมั่นนะหรืออาจจะสร้างนึกถึงรางวัลเพื่อที่จะเป็นเครื่องล่อเราให้เรามีความเพียรบางทีเราเรียนหนังสือเร า, า จ, จะทาด้วยอาการที่หน้าดำขาเคร่งได้เวลาเราทำงานแล้วก็จะทำด้วยความความมุ่งมั่นนะแต่ว่าการวางจิตแบบนี้พอมาแชรการปฏิบัติทำอาจเป็นปัญหานะ มันจะทำด้วยการที่หน้าดำคํำเคร่งไม่ได้จะทำด้วยใจที่คิดอยากจะเอาอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันต้องวางซะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละขณะที่เรายกมือสร้างจังหวะหรือว่าการเดินจงกรมถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันนะไม่ต้องไปคิดนึกถึงว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหรม่มันจะมันจะคําเมื่อไหร่มันจะผ่านพน้นะวันไปสักที เราก็จะปฏิบัติได้ได้ อ, อย่างมีความโปร่งเบาสบายแต่ถึงไม่สบายก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าใจเรามันก็จะคึค้ๆลงๆแบบนี้แหละแต่ต่อไปมันก็จะค่อยปรับตัวได้อะละคำเดียวพูดกัท่านนี้กระเพาคพร้อมกัน